วันนี้เป็นวันเสาร์ที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรม มาศึกษามาเรียนรู้พระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้นำเอาไปปฏิบัติเพื่อให้ถึงแก่ความสุขความเจริญถึงแก่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเรื่องธรรมะที่เราจะมาฟังกันวันนี้นั้นเป็นเรื่องของเส้นทางชีวิต ของพวกเราเส้นทางชีวิตของพวกเรนี้มีอยู่สองเส้นทางด้วยกันเพราะว่าชีวิตของพวกเรานี้มีองค์ประกอบอยู่สององค์ประกอบด้วยกันคือมีร่างกายและมีจิตใจร่างกายก็มีเส้นทางชีวิตของเขา จิตใจก็มีเส้นทางชีวิตของเขาซึ่งเป็นคนละเส้นทางกันเพราะว่าเป็นคนละคนกันร่างกายกับใจิตใจนี้ไม่ได้เป็นคนคนเดียวกันไม่ได้อยู่ที่เดียวกันร่างกายนี้อยู่ในโลกธาตุโลกที่มีธาตุสีธาตุสี ธาตุห้าธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแล้วก็อวกาศาธาตุส่วนจิตใจนี้อยู่ในโลกทิพจิตใจเป็นธาตุรู้เส้นทางของร่างกายและจิตใจจึงไม่ได้เป็นเส้นทางเดียวกันนานๆก็จะมาพบกันสักครั้งหนึ่ง เส้นทางสองเส้นนี้นานๆก็มาตัดกันมาเจอกันมาเจอกันตอนไหนก็มาเจอตอนที่ร่างกายเกิดขึ้นมานั่นเองเส้นทางของร่างกายนี้ก็เริ่มต้นที่การเกิดแล้วก็จะเจริญเติบโตไปสู่ความแก่สู่ความเจ็บไข้ได้ป่วยและสู่ความตายไป นี่คือเส้นทางของร่างกายของทุกๆคนไม่ว่าจะสูงหรือต่ำไม่ว่าจะรวยหรือจนไม่ว่าจะฉลาดหรือโง่เส้นทางของร่างกายของทุกคนนี้เป็นไปในทิศทางเดียวกันคือไปสู่จากเกิดก็ไปสู่ความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตาย ซึ่งอาจจะต่างกันตรงที่ว่าบางร่างกายอาจจะไม่ได้เจอความแก่ไม่ได้เจอความเจ็บไข้ได้ป่วยเลยก็มีเกิดแล้วเดี๋ยวก็ไปตายด้วยอุบัติเหตุอุบัติภัยต่างๆ mm hmm. ก็ยังไม่มีโอกาสได้แก่ไม่มีโอกาสได้เจ็บไข้ได้ป่วย mm hmm. บางา mm hmm. บางร่างกายก็เป็นไปตามขั้นตอน ก็แล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยหลังจากนั้นก็ตายไปเส้นทางของร่างกายนี้ไม่มีใครที่จะมาเปลี่ยนแปลงได้ <S <S เป็นเป็นเส้นทางที่ตายตัวสําหรับทุกร่างกายที่เมื่อมาเกิดแล้วก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปด้วยกันทุกคนอนี้คือ เรื่องของร่างกายระหว่างที่ร่างกายมีชีวิตยอยู่ร่างกายก็อาจจะมีขึ้นขึ้นลงลงไปกับโลกธรรมทั้งสี่คือลาบยศสรรเสริญและความสุขจากูปเสียงกลิ่นลดผลสภอันนี้ชีวิตของร่างกายก็จะมีการเ จ, เจอกับการเจริญบ้าง เจอกับความเสื่อมบ้างของลาบยศสรรเสริญของรูปเสียงกิ่นรสผดทับ้าไปสลับกันไปขึ้นขึ้นลงลงไปจนถึงเวลาสุดท้ายถึงเวลาถึงความตายไปทุกสิ่งทุกอย่างที่มารวมตัวทำให้เป็นร่างกายก็จะแยกมันออกไปรากายนี้ เป็นการรวมตัวของธาตุทั้งสี่ก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟที่เมื่อมารวมตัวกันแล้วก็มีมีมีอาการสามสิบสองตามมาตามลำดับเป็นร่างกายมีอวัยวะต่างๆที่ทำให้ร่างกายสามารถทำอะไรต่างๆได้ แต่เมื่อถึงเวลาที่ร่างกายนี้หยุดทำงานอวัยวะต่างๆก็จะกลับคืนสู่ธาตุเดิมก็คือธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุาลมธาตุไฟเวลาร่างกายตายไปธาตุแรกที่แยกออกไปก็คือธาตุลมลมก็จะไม่ได้อยู่ในร่างกายไม่เข้ามาในร่างกาย ส่วนนมที่เหลืออยู่ก็จะระเหยออกไปตามด้วยธาตุไฟร่างกายของคนตายก็จะเย็นไม่อุ่นเหมือนกับร่างกายของคนเป็นเพราะธาตุไฟได้แยกออกไปตามธาตุมไปเหลือแต่ธาตุน้ำกับธาตุดินที่จะแยกกันต่อไปด้วยการธาตุน้ำก็จะไหลออกจากทวาวรต่าง จนในที่สุดร่างกายก็จะแห้งกรอบไปแล้วก็ผุพังไปกลายเป็นดินไปในที่สุดนี่คือเส้นทางชีวิตของร่างกายของคนทุกคนที่เมื่อเกิดมาแล้วก็จะต้องเป็นไปอย่างนี้ร่างกายนี้ไม่มีตัวตนจิตใจไม่ได้อยู่ในร่างกาย จิตใจผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่ได้เป็นร่างกายจิตใจเป็นเพียงแต่ผู้มาใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการตอบสนองความต้องการของจิตใจก็คือความอยากที่จะเสก ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลธพะต่างๆความอยากมีอยากเป็น และความอยากไม่มีอยากไม่เป็นที่เป็นตัวที่เป็นเหตุที่ผลักดันให้จิตใจมาครอบครองร่างกาย<ม>เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขจากสิ่งต่างๆจากโลกธรรม ท, ทั้งสี่ที่มีอยู่ในโลกนี้ก็คือ ลาบยศสระเสริญและความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะชนิดต่างๆนี่คือเหตุที่พาให้จิตใจหรือธาตุรู้นี้มามามีความสัมพันธ์มาเชื่อมต่อกับร่างกายเพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุข เส้นทางของจิตใจนี้ก็ก็ถ้าจะนับเริ่มต้นตอนที่มาเกิดตอนที่ร่างกายเกิดตอนนั้นจิตใจก็จะถือว่าอยู่ในภพของมนุษย์จุดเริ่มต้นของจิตใจที่มามาได้ร่างกายมาตอนที่มาเป็นมนุษย์ก็เป็นตอนที่ร่างกายนี้เกิดมาสาเหตุที่จิตใจมาเป็นมนุษย์ก็ เพราะว่าสิ่งที่ทำให้จิตใจไปเป็นอย่างอื่นเช่นไปสวรรค์ไปเป็นเทพเป็นพรหมหรือไปอบายไปเป็นเบลาชาญไปเป็นเปรตเป็นอสูรลกายหรือไปนรกนี้คือบุญและบาปที่ได้ทำไว้ในปางก่อนบทกกำลังที่จะส่งอิทธิพล ต่อจิตใจบุญก็ไม่มีอิทธิพลที่จะดึงไปสวรรค์บาปก็ไม่มีอิทธิพลที่จะดึงใจให้ไปอบายช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่จิตใจอยู่ในสภาพของมนุษย์ความที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้ร่างกายของมนุษย์แล้วพอร่างพอเกิดมาแล้ว จิตใจก็ใช้ร่างกายของมนุษย์นี้ไปทำอะไรต่างๆตามความอยากต่างๆตามอุปนิสัยที่เคยติดตัวมาด้วยจิตใจแต่และจิตใจที่มาเกิดนี้มีอุปนิสัยไม่ไม่เหมือนกันแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอดีตชาติที่เคยทำอะไรมา ก็มักจะติดตัวมาด้วยเช mm hmm. ่นเคยเคยทำบุญก็จะติดตัวมา mm hmm. เกิดมาก็จะมาชอบทาบุญ mm hmm. ถ้ามีอุปนิสัยที่ชอบทําบาป mm hmm. เกิดมาก็จะมาทำบาป mm hmm. ในเวลาที่จะต้องการอะไรก็ตามถ้าไม่สามารถหาได้โดยวิธีสุดสุดจริต ก็จะไปหาโดยวิธีทุจริตทำบาปด้วยวิธีการต่างๆเช่นโกโหกหลอกลวงประพืชผิดประเทนีรักทรัพย์หรือฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อให้ได้สิ่งที่อยากได้มานี่คือเรื่องของจิตใจเส้นทางของจิตใจก็จะเป็นไปตาม ทำนาาของบุญและของบาปที่ที่กําลังทําอยู่บุญและบาปที่ทำนี่ก็จะสะสมแล้วก็จะส่งอิทธิพลให้จิตใจนี้ขึ้นสูงหรือลงต่ำไปบุญก็จะส่งให้จิตใจขึ้นสูงขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นเทพชั้นพรหมชั้นนารยบุคคลชั้นนิพพาน บาปก็จะส่งให้จิตใจไปสู่อาบายไปสู่การเป็นสัตว์เละชาาเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปตกนรกอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมในขณะที่มีชีวิตอยู่ว่าได้สะสมได้กระทำกรรมแบบไหนทำกรรมบันไดไว้จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น ทำบุญก็จะรับผลของบุญทำบุญจิตใจก็จะสูงขึ้นจากเทพก็ไปสู่พรหมจากพรหมก็ไปสู่อริยะบุคคลไปสู่พระนิพพานตามลำดับถ้าทำบาปก็จะส่งไปสู่อบายทำบาปด้วยความหลงก็ไปไปเป็นเดระชา้านทำบาปด้วยความโลภก็ไปเป็นเปรต ทำบาปด้วยความกลัวก็ไปเป็นนสุลกายทำบาปด้วยการอาฆาตพยาบาเทเคียดแค้นก็จะไปนรกนี่คือเส้นทางของของจิตใจเป็นเส้นทางที่สามารถเปลี่ยนได้ตามเหตุคือพฤติกรรมคือการกระทา ทำบุญหรือทำบาปจะเป็นการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของจิตใจได้ไม่เหมือนกับเส้นทางของชีวิตของร่างกายนี้เปลี่ยนไม่ได้ไม่มีใครเปลี่ยนได้เส้นทางของร่างกายก็จะต้องไปจากเกิดก็ไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายแต่เส้นทางของจิตใจนี้สามารถเปลี่ยนได้สามารถกําหนดได้ว่าจะต้องการจะไป ทิศทางไหนต้องการขึ้นสูงก็สามารถกํำหนดได้เปลี่ยนได้ทำได้ต้องการไปต่าก็สามารถเปลี่ยนได้ทำได้ก็ อ, อยู่ว่ามีความรู้เรื่องราวเหล่านี้หรือไม่รู้เรื่องราวของเส้นทางของจิตใจหรือไม่ว่าเป็นอย่างไรถ้าไม่รู้ก็จะไม่ไม่มี ความขวนขวายที่จะเปลี่ยนก็มักจะชอบทำอะไรไปตามนิสัยเดิมของตนถ้าเคยชอบทำบาปก็จะมักจะทำบาปไปเรื่อยๆถ้าทำบุญก็มักจะทำบุญไปเรื่อยๆออแต่สําหรับคนที่โชคดีอย่างพวกเราที่ได้มาเกิดในยุคที่มีคนฉลาดที่รู้เรื่อง เส้นทางชีวิตของจิตใจดีที่สุดก็คือพ ร, พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ที่รู้ว่าเส้นทางชีวิตของจิตใจนี้เป็นเส้นทางที่เราสามารถกำหนดขึ้นมาได้เราสามารถเปลี่ยนได้กำหนดให้ไปในทิศทางใดทางหนึ่งได้ ถ้าถ้าเรามาได้ยินคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือคำสั่งคำสอนของพระอริยสงฆ์สาวกแล้วถ้าเราเกิดศรัทธาเราก็จะได้นำเอาคำสอนไปปฏิบัติเพื่อจะได้กำหนดทิศทางของชีวิตของจิตใจของเราหน่อยถ้าเราเชื่อในคำสอนว่าจิตใจนี้ เป็นสิ่งที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย <c oughs> เป็นสิ่งที่จะต้องเดินต่อไปมีเส้นทางที่จะไปต่อไปเส้นทางที่จะไปต่อก็มีไปสูงหรือไปต่าแล้วก็ไปแบบไม่กลับมาหรือไปแล้วยังกลับมาอีกนี่คือเส้นทางของของชีวิตของจิตใจมีอยู่ สองเส้นทางด้วยกันสองจุดหมายปลายทางด้วยกันคือไปแบบไม่กลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปหรือไปแล้วยังกลับมาเกิดแก่เจ็บตายแล้วถ้ายังกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่ก็ยังมีทางเลือกอยู่สองทางคือทางของสุคติและทางของทุกกติ ก็คือเวียนว่ายตายเกิดในสุกติก็เวียนว่ายตายเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ตายไปก็กลับไปเกิดเป็นเทวดาไปเป็นพรหมเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสุกติไปอีกทางหนึ่งก็ทางแห่งทุ ก, กติมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มาทำบาปทากรรมต่างๆตายไปก็ไป เกิดในอบายพอพ้นจากอบายกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะมาทำบาปใหม่ทำอย่างนี้ไปเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะ <c oughs> มีดวงตาเห็นทางหรือได้สัมผัสกับคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือของคนดี ที่จะสอนให้ละการกระทำบาปให้เปลี่ยนมากระทำบุญเช่นบางยุคบางสมัยบางคพบบางชาติอาจจะมาได้เกิดในครอบครัวที่เป็นครอบครัวของพวกที่เวียนว่ายตายเกิดในสุคติก็จะถูกเขาสอนให้ไม่ให้ทำบาปให้ทำบุญถ้าเชื่อฟังแล้วพยายามทำตามจนติดเป็นนิสัยไป ก็จะสามารถเปลี่ยนการเวียนว่ายตายเกิดจากการจากในทุกขติไปสู่สุขติได้เช่นเดียวกันกับในทางกลับกันถ้าพวกที่คอยเวียนว่ายในสุขติแล้วถ้ามาเกิดในครอบครัวที่เวียนว่ายตายเกิดในทุกขติพ่อแม่ชอบทาบาปเป็นต้นก็จะถูกพ่อแม่สอนให้ทาบาป ก็อาจจะเปลี่ยนนิสัยจากการทําบุญมาทําบาป ก, ก็ได้ถ้าเปลี่ยนนิสัยจากการทชอบทําบุญมาชอบทําบาปอันนี้ก็จะเปลี่ยนการเวียนว่ายตายเกิดจากสุกติเวียนว่ายตายเกิดในสุกติมาเวียนว่ายตายเกิดในทุกติก็มีโอกาสที่สลับไปสลับมาอย่างนี้ในในระหว่างที่มีการเวียนว่ายตายเกิด อยู่เรื่อยๆจนกว่าจะได้มาพบกับพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์หรือพระอริยรสงสาวุกของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่รู้เรื่องของเส้นทางของชีวิตของจิตใจว่าถ้าทําบุญและทาบาปแล้วจะเป็นอย่างไรและถ้าต้องการที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิด ในภพภูมิต่า ง, างจะต้องทำอย่างไรบ้างช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่จะมีโอกาสได้เปลี่ยนถ้าเวียนว่ายในทุกขติก็อาจจะเปลี่ยนมาเวียนว่ายในสุ ก, กติแล้วถ้าเห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดแม้นอยู่ในสุ ก, กติก็ยังต้องเจอกับความทุกข์ของสังขารร่างกาย ของร่างกายที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็อาจจะอยากจะตัดการเวียนว่ายตายเกิดยุติการกลับมาเกิดแกเ่เจ็บตายก็จะศึกษาวิธีการตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดได้จากพระพุทธเจ้าพอดีหรือจากพระอริยสงสาวุกของพระพุทธเจ้าพอดี สามารถที่จะทำตามตัดการเวียนว่ายตายเกิดได้ตัดเหตุที่ทำให้มาเวียนว่ายตายเกิดได้ก็คือตัณหาทั้งสามนี้การมตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาให้หมดไปจากใจได้ใจก็จะไปสู่พะนิพานเป็นจุดสุดท้ายของเส้นทางชีวิต ที่จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในภพต่างๆอีกต่อไป น, น, นี่คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนามาพบกับพระธรรมคาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้เรียนรู้เรื่องเส้นทางของชีวิตทั้งสองเส้นทางเส้นทางของร่างกาย ที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นเป็นทางเดินหรือเส้นทางของจิตใจที่มีภพต่างๆเวียนว่ายในภพต่างๆเวียนว่ายในสุกกติภพเวียนว่ายในทุกกติภพหรือยยุติการเวียนว่ายตายเกิด อันนี้เป็นสิ่งที่นานๆานจะได้มีโอกาสได้ศึกษาได้เรียนรู้สักทีเพราะว่าการเกิดของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี้ไม่ได้เป็นการเกิดที่ได้เกิดได้อย่างง่ายดนายนานจะมีผู้มีความสามารถมีสติมีปัญญามีบารมีครบทั้งสิบประการเช่นเมตตาบารมีทานบารมี ศีลบาลมีเนี่ยกรรมบาลมีอุเบกขาบารมีปัญญาบารมีอธิษฐานบารมีสัจจะบารมีวิริยะบารมีและขันติบารมีเท่านั้นที่จะสามารถที่จะตัดฉลุเป็นพระอรหันต์ตระสมาสมพุทธเจ้าขึ้นมาได้ถ้ายุคใดสมัยใด ถ้าใครมาเกิดในยุคที่มีการตัดสรุ ข, ของพระพุทธเจ้าคือมีพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์<ม>องค์ใดองค์หนึ่งหรือทั้งสามองค์อยู่ในโลกนี้<ม><ม>ก็จะเป็นยุคที่ของผู้ที่มาเกิดในยุคนั้นจะได้มีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องเส้นทางชีวิตของจิตใจและจะได้ มีความมีโอกาสที่จะได้เดินในเส้นทางที่ถูกที่ควรือเส้นทางที่นำไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้เป็นเส้นทางที่เลิอกที่ประเสริฐที่สุดแต่เป็นเส้นทางที่ยากที่สุดที่จะไปถึงได้ลองลงมาก็คือเส้นทาง ของการเวียนว่ายตายเกิดในสุคติ อ, อแล้วก็เป็นเส้นทางที่ถ้ายังไม่สามารถไปถึงเส้นทางอันเลิศอันประเสริฐคือพันที่ผ่านได้ก็อย่างน้อยก็ควรที่จะอยู่ในเส้นทางของสุคติแต่ก็ต้องปิดกั้นเส้นทางที่สามอย่าให้ตกไปในเส้นทางที่สามก็คือ การเวียนว่าตายเกิดในทุกขติเพราเพราะตามคาสอนของพระพุทธเจ้าจึงี่สอนในสามเส้นทางนี้สรุปคําสอนของพระเจ้าทุกๆพระองค์ที่มาทรงตัดเจริญนี้ก็จะสอนเรื่องของการดําเนินชีวิตในสามเส้นทางนี้เส้นทางเส้นทางของอบายของทุกขตินี้พระองค์ก็ทรงสอนว่าต้องปิดต้องหยาไปน วิธีที่จะไม่ไปเกิดในอบายไม่ไปเวียนว่ายในทุกขติก็จําเป็นที่จะต้องระ ง, งับเหตุที่พาให้ไปเวียนว่ายตายเกิดในทุกขตินั่นเองเหตุที่นําให้ไปสู่การเวียนว่ายในทุกขติก็คือการกระทําบาปทั้งปวงการกระทําบาปนี่แหละเป็นเหตุที่จะส่งให้จิตใจไปสู่อบาย หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วถ้าไม่อยากจะไปอบายไม่อยากจะลงต่ำไม่อยากจะเวนว่าในทุกขติก็จาเป็นที่จะต้องมามาละงับการกระทำบาปทั้งปวงถ้าเคยทำบาปก็ต้องมาเริ่มเริ่มหยุดยุดติการกระทาบาปถ้าสามารถปิดถ้าสามารถละงับการกระทำบาปได้ตลอดเวลา การที่จะไปเวียนว่ายตายเกิดในอบายก็จะไม่เกิดขึ้น อ, อ, อันนี้คือคำสอนข้อที่หนึ่งของพระพุทธเจ้าสอนให้เราปิดประตูอบายกันก่อนอย่าไปทางนั้นทางนั้นเป็นเป็นทางที่มีแต่ความทุกข์หาความสุขไม่ได้เลยแล้วก็ให้มาในทิศทางที่มีความสุขซึ่งมีอยู่สองสองทิศทางด้วยกันสองระดับด้วยกัน ความสุขที่ยังอยู่ภายใต้การเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็คือการเวียนว่ายตายเกิดในสุคติการที่เราจะเวียนว่ายในสุคติได้เราจำเป็นที่จะต้องทำตามคำสั่งคาสอนข้อที่สองของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ทรงสอนว่าให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมการสร้างบุญสร้างกุศลต่าง จะเป็นเหตุที่จะทำให้จิตใจนี้ยกระดับจากมนุษย์ให้ขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นเทพชั้นต่างๆได้กา ร, รสร้างบุญสร้างกุศลนี่ก็มีหลายรูปแบบด้วยกันคือความทำการทำความดีต่างๆการทำคุณทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้อ อ, อันนี้เรียกว่าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศล ส่วนการกระทําบาปก็คือการกระทําที่ไปสร้างโทษสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้ น, นี่ก็คือการที่จะทําให้จิตใจเวียนว่ายตายเกิดในสุคติก็คือหนึ่งต้องละการกระทําบาปทั้งปวงแล้วก็สร้างบุญสร้างกุศลอยู่เรื่อยๆตามกําลัง ก็จะทำให้เมื่อเวลาตายไปจิตก็จะมีบุญกุศลเป็นผู้ส่งให้จิตใจได้ไปอยู่ในสวรรค์จนกว่าบุญที่ได้สะสมไว้หมดกำลังลงก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หม่อยพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะกลับมาสร้างบุญสร้างกุศลใหม่ละการกระทาบาปใหม่ก็ยังต้องติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ บุญกุศลอีกอย่างหนึ่งที่นอกจากการทําความดีเช่นทําบุญทําทานแล้วบุญกุศลอีกอย่างก็อย่างก็คือการทําจิตใจให้สงบด้วยการจเจริญสตินั่งสมาธิทําใจให้เข้าสู่ฌานในระดับต่างๆให้ได้อาใจเข้าสู่ความสงบของระดับฌานต่างๆได้เวลาเวลาร่างกายตายไปใจที่ได้ฌานก็จะไปอยู่ใน สวรรค์ชั้นพรหมซึ่งมีอยู่สองระดับด้วยกันสวรรค์ชั้นพรหมที่เรียกว่ารูปประรมผู้ที่ได้รูปประชานก็จะไปอยู่บนสวรรค์ชั้นรูปประรมผู้ที่ได้อรูปประชานก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นอรูปประรมหรือถ้าเป็นภพก็เรียกว่ารูปภพและอรูปภพอันนี้ก็เป็นที่ไปของผู้ที่สร้างบุญสร้างกุศลในระดับ การฝึกจิตในการทำสมถะภาวนาทำจิตใจให้สงบด้วยการเจริญสตินั่งสมาธิก็จะได้สวรรค์ชั้นสูงสุดของของไตรภพไตรภพนี้มีพระสวรรค์ที่ความสุขของไตรภพที่สูงสุดก็อรูปภพลองลงมาก็รูปภพลองลงมาก็เทวภพลองลงมาก็ภพของมนุษย์ ถ้าตามกับภพของมนุษย์นั้นก็ไม่มีความสุขนะมีแต่ความทุกข์คืออบายทั้งสี่แต่ก็ยังเป็นการต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เพราะว่าฌานที่ได้จากการเจริญสติมันก็มีวันที่จะเสื่อมมีวันที่จะหมดลงเวลาดวงวิญญาณหรือจิตใจไปอยู่ใน รูปภพหรืออรูปภพด้วยอำนาจของกาลังของสติที่ทำให้เกิดฌานขึ้นมาพอสตินั้นเสื่อมลงไปหมดกำลังลงจิตก็จะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่จิตของพวกที่เคยได้ฝึกสมาธิโดยเข้าฌ า, านอยู่เรื่อยเป็นนิสัยพวกนี้เวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มักจะไปเป็นนักบวชกัน ไปอไปหาสถานที่สงบสงัดวิเวกเพื่อไปก็จเจริญส ม, มะถะภาวนาไปทำจิตใจให้สงบกันแต่ก็ยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เพราะว่าส ม, มะถะภาวนาหรือสติสมาธินี้ยังไม่มีความสามารถที่จะกาหนดกาจัดเหตุที่พาให้ดวงวิญญาณหรือจิตใจนี้ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ เหตุที่พาให้จิตใจยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็ยังไม่ได้ถูกกำจัดคือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นนียังไม่ได้ถูกกำจัดด้วยกำลังของสติของสมาธิเป็นเพียงถูกกำลังของสติสมาธิกดเอาไว้ไม่ให้เอามาแสดงตัวเท่านั้นเอง แต่ถ้าช่วงไหนที่สติและสมาธิอ่อนลงหมดกำลังลงช่วงนั้นกำลังของกามาันหาภาวะันหาและวิภวะันหาก็จะปรากฏขึ้นมาดึงจิตให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หม่อเพื่อจะได้ใช้ร่างกายของมนุษย์มาเสพรูปเสียงกลิ่นรสแต่ถ้าเคยได้ความสุขจากการเข้าสมาธิมีนิสัยที่ชอบเข้าสมาธิ ถึงแม้ได้มากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถึงแม้จะมีความอยากก็พยายามที่จะฝืนความอยากในรูปเสียง ก, ยกยิ่นรถแล้วก็เอาเวลาให้กับการไปฝึกสตินั่งสมาธิหน่นี่คือการกระทำตามคําสอนข้อที่สองที่พระเจ้าทรงสอนให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมก็จะได้ในระดับของการเวียนว่ายตายเกิดใน ในสุคติเป็นมนุษย์เวลาร่างกายตายไปก็ไปเป็นเทพเป็นพรห ม, ตา ม, ต, ามตามกำตามกาลังของบุญกุศลที่ได้สร้างไว้ถ้าทำบุญทําทาน<ม>ก็จะได้สวรรค์ชั้นเทพถ้าฝึกสตินั่งสมาธิก็ได้สวรรค์ชั้นพรหมไปแต่ยังไม่ได้สวรรค์ชั้นอริยบุคคลถ้าอยากจะได้สวรรค์ชั้นอริยบุคคล น, นี้ ต้องปฏิบัติตามข้อที่สามที่พทธเจ้าได้สงสอนให้ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ชำระเหตุที่พาให้มาเกิดแก่จิตตายนั่นเองชำระตัณหาทั้งสามการมาตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาการที่จะชำระตัณหาทั้งสามนี้ได้จาเป็นต้องกําจัดด้วยปัญญาเพราะเหตุที่พาให้ เกิดตัณหาทั้งสามขึ้นมาก็คือความหลงนั่นเองอวลาวิชาความไม่รู้ความจริงว่าความหลงความอยากความอยากนี้เป็นตัวที่พาให้จิตต้องมาวียนว่ายตายเกิดตัวที่ทำให้จิตต้องมาทุกข์มาวุ่นวายใจกับสิ่งต่างๆเกิดจากเกิดจากตัณหาความอยากที่ไป ที่ไม่รู้ความจริงว่าสิ่งที่ตัณหาความอยากอยากได้ไม่ว่าจะเป็นการมาสุขความสุขที่ได้จากการเสกเลือกเสียงกลิ่นรสหรือความสุขที่ได้จากการมีราบยศจรสเสนนี้ล้วนเป็นอนิจจังเป็นของชั่วคราวเป็นของที่ได้มาแล้วก็จะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดเวลาที่มันเสื่อมหรือเวลามันหมดความสุขที่ได้ก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้น อันนี้ต้องใช้ปัญญาสอนใจอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาเกิดความอยากไม่ว่าจะอยากในกามตาหาอย่างเสพรูปเสียงกิ่นรสหรื อ, อยากมีอยากเป็นหรืออยากไม่มีอยากไม่เป็นก็ตามให้พิจารณาสิ่งที่อยากนั้นล้วนเป็นตายรักทั้งนั้นล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นเพราะว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะต้องมีวันเปลี่ยนไปมีวันหมดไปพอวันหมดไปก็จะเกิด ความทุกข์ใจขึ้นเปัญญานี้จะมาแก้กความหลงที่ไม่เห็นไม่รู้ว่าสภาวะธรรมทั้งปวงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าไม่มีปัญญาจิตที่มีอวิชชาครอบงํำหรือโมหะครอบงำจิตใจก็จะมองสภาวะธรรมต่างๆเช่นราญยศชนะแสญสุขว่าเป็นนิจจังสุขขังอนัตตา แต่พอได้มาศึกษาด้วยปัญญาพิจารณาดูตามความเป็นจริงก็จะเห็นว่าสภาวะธรรมทั้งหลายมีเกิดก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดาสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามถ้ามีปรากฏขึ้นมาราบยศรเสริญสุขก็เหมือนกันร่างกายก็เหมือนกันความรู้สึกต่างๆก็เหมือนกันอารมณ์ต่างๆก็เหมือนกันเป็นสภาวะธรรมทั้งหมด มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ต้องดับไปถ้าไปยึดไปติดไปอยากกับสิ่งเหล่านี้เวลาที่มันเปลี่ยนไปเวลาที่มันเสื่อมไปหมดไปมันก็จะกลายเป็นสร้างความทุกข์ให้แก่จิตใจแล้วมันก็จะเป็นเหตุที่พาให้จิตใจยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเพื่อมาเสพสภาวะธรรมเหล่านี้ต่อไปอันนี้เรียกว่าปัญญา ปัญญานี้มาสอนใจให้เห็นความจริงของสภาวะธรรมทั้งปวงว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเห็นปัญญาตลอดเห็นด้วยปัญญาตลอดเวลาเวลาเกิดตัญหาความอยากอย่างใดอย่างหนึ่งกับสภาวะธรรมใดอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะยับยั้งได้ทันทีไม่หลงตามไม่ไปหลงไปเห็นว่าเป็นสุขอย่างถาวรแต่เห็นว่าถ้าเป็นสุขก็เป็นสุขแบบชั่วคราว เห็นว่ามันเป็นอนิจจังไม่เที่ยมเดี๋ยวมันก็ต้องเสื่อมเดี๋ยวมันก็ต้องหมดเวลามันเสื่อมเวลามันหมดมันก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจก็ตัดความอยากไปให้หมดอย่าไปทำตามความอยากถ้าไม่ทำตามความอยากแล้วต่อไปความอยากที่เคยผลักดันจิตใจให้ไปไปเสพกับไปเสพกับสภาวะธรรมต่างๆก็จะ จางหายไปหมดไปแล้วพอไม่มีไม่มีตัณหาความอยากหลงเหลืออยู่ในใจแล้วใจที่เคยวุ่นวายจากความอยากต่างๆก็จะสงบตัวลงอย่างถาวรใจก็จะสงบจะสุขไปตลอดเวลาถ้าไม่มีตัณหาความอยากต่างๆลงเหลืออยู่ภายในใจ คือใจได้รับการซักพ อ, อกด้วยการชําระให้สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาใจที่สะอาดบริสุทธิ์นี่ยคือใจที่ที่เรียกวันนิพพานใจที่ไม่ต้องกลับไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือเรื่องของเส้นทางของชีวิตของจิตใจของพวกเราทุกคนเรามีสองเส้นทางเส้นทางของร่างกายนี้เราเลือกไม่ได้นะ เราเปลี่ยนไม่ได้มันถูกกำหนดมาตายตัวกันทุกคนร่างกายของคนทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ในที่สุดแล้วก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ต้องตายไปในที่สุดไม่มีข้อยกเว้นแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ดีแม้แต่ร่างกายของพระอานันตสาวกทั้งหลายก็ดีก็อยู่ภายใต้ความเป็นจริงเส้นทางอันนี้ทุกทุกทุกคน เกิ ด, ดแก่เจ็บตายอันนี้เป็นเรื่องของร่างกายจึงไม่ควรที่ถ้าไม่อยากจะต้องมาทุกกับการเกิดแก่เจ็บตายก็อย่ามาเกิดเลยการจะไม่เกิดก็ต้องไปกาหนดเส้นทางชีวิตของจิตใจให้ไปสู่พระนิพพานการที่จะพาให้จิตใจเส้นทางชีวิตไปสู่พระนิพพานก็ต้องทําตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสามข้อนี้ ข้อที่หนึ่งก็คือให้ละการกระทำบาปทั้งปวงเพื่อให้ปิดประตูอบายบาปคืออะไรบาปก็คือการกระทำที่ทำให้เกิดความทุกข์เกิดความเสียหายเกิโดโทษแก่ผู้อื่นเช่นการฆ่าสัตว์ทำรายชีวิตของผู้อื่นสร้างความทุกข์ให้กับผู้ที่ต้องเสียชีวิตการรักทรัพย์ของผู้อื่นก็ทาให้ต้องผู้ที่จะเป็นเจ้าของทรัพย์ก็ต้องเศรา้ากก็ต้องเสียใจทุกข์ใจ การไ ป, ปรเภื่อผิดประเพณีการไปร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาของผู้นี้ก็เป็นการไปสร้างความทุกข์ให้กับเจ้าของภรรยาสามีมแล้วก็การโกหกหลอกลวงเพื่อที่จะเอาประโยชน์อย่างใดอย่างหนึง่งอันนี้ก็เป็นการสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้<ม>จาเป็นที่จะต้องละอย่ากระทํา เพาะถ้าต้องการจะปิดประตูอบายถ้าไม่ต้องการที่จะไปเวียนว่ายตายเกิดในทุกขติก็ต้องละ ก, การกระทำบาปและนอกจากการกระทำบาปสีข้อนี้เราอยังต้องละผู้ที่สนับสนุนในการกระทำบาสด้วยก็คืออบายยมุกอบายยมุกนี้เป็นผู้ที่จะทําให้การกระทำบาสนี้เกิดขึ้นได้ง่ายผู้ที่เสพอบายยมุกนี้จะทําบาปได้ง่ายกว่าผู้ที่ไม่ได้เสพอบายยมุก การดื่มุรายามเมานี่อบายามุกมีอยู่ห้าข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งก็การดื่มชรายาเมาข้อที่สองคือการเล่นการพนันข้อที่สาก็คือการเที่ยวเตะข้อที่สี่ก็คือความเกลียดคร้านข้อที่ห้าก็คือการครบคนที่ชอบอบายามุกเป็นมิตรนีน่นี่คือสิ่งที่จะต้องหลีกเลี่ยงต้องไม่กระทำ เพื่อที่จะได้ทําให้การกระทําบาปนี้ยากขึ้นหรือไม่ได้ทําเลย mm hmm. เพราะว่าถ้าลองไปเสพ บ, บาทยาโมกแล้วมันจะเป็นมีเหตุที่จะทําให้ไปทําบาปได้ง่ายขึ้น mm hmm. เช่นการดื่มชุรายาเมล mm hmm. เวลาดื่มน่าจะขาดสติ mm hmm. สตินี้เป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งในการควบคุมการกระทําของใจ mm hmm. ถ้าใจไม่มีสติควบคุมเวลาใจเกิดอารมณ์ ไม่ดีขึ้นมาอารมณ์ที่จะคิดทำบาปขึ้นมาจะไม่มีอะไรมายับยั้งมันมันก็จะทำบาปทันทีสังเกตดูคนที่เมาสุราแล้วมักจะอาลวาดทำร้ายผู้สร้างความเสียหายหเดือดร้อนให้แก่ผู้ก็เพราะว่าไม่มีสติคอยควบคุมใจเวลาใจเกิดอารมณ์ไม่ดีก็จะไม่สามารถละ ง, งับยับยั้งการกระทำบาปได้ แต่ถ้าไม่ดื่มสุรายาเมาแล้วเวลาที่เกิดอารมณ์ไม่ดีคิดอยากจะไปทำร้ายผู้ก็ยังมีสติพอที่จะยับยั้งไว้ได้อยู่จึงต้องจึงต้องห้ามการเสพอบา ย, ยามุกด้วยอย่าดื่มสุรายาเมาจะทำให้ขาดสติขึ้นมาส่วนการเล่นการพร น, น, นันนี้เล่นไปเรื่อยๆไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องหมดเนื้อหมดตัวเงินทองไม่มีใช้ไม่พอใช้ พ อ, อเงินทองไม่พอใช้ก็จะต้องไปหาเงินทองโดยวิธีมิชอบทำบาปลักทรัพย์โกหกหลอกลวงเป็นต้นเช่น<ม>เดียวกับการเที่ยวการเที่ยวตัวเอก็ไม่เกิดรายได้มีแต่รายจ่ายถเที่ยวมากๆ<ม>ต่อไปเงินทองก็จะไม่พอใช้<ม>แล้วก็ต้องไปหาโดยวิธีทุจริตนั่นเองเช่น<ม>เดียวกับความเกลียดคร้านความเกลียด้านนี้ก็จะทาให้ไม่ไปทำมาหากิน ด้วยอาชีพที่สุดเจริญถ้าอยากจะได้เงินทองก็อยากจะหาแบบง่ายๆด้วยการลักขโมยด้วยการชอบโกงเป็นต้นแล้วก็การไม่คบคนที่ชอบอบายามุขเป็นมิตรก็เพราะว่าคนที่ชอบสุลาเขาก็จะชวนเราไปดื่มสซราคนที่ชอบเล่นการพ น, นันถ้าเราครบกับเขาเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพ น, นันถ้าเขาชอบเที่ยวเขาก็จะชวนเราไปเที่ยว ถ้าเขาชอบความเกลียดคลานเขาก็จะชวนให้เราเกลียดคลานดังนั้นในวิาการที่เราจะไม่กระทำบาปได้นี้เราจําเป็นที่จะต้องไม่เสพอบายามุกด้วยละเว้นการเสพอบายามุกแล้วอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เราไม่กระทำบาปก็คือการมีฮิริโอตปะฮิริคือความละอายในการกระทำบาปเพราะคนที่ทำบาปนี้จะไม่มีใครยกย่อง สละเสริญมีแต่คนตำหนิติดเตียนถ้าเราไม่อยากจะให้คนอื่นเขาตําหนิติดเตียนเราต้องอายเราต้องอายต้องไม่กระทําบาปเพราะเวลาที่เราทําบาปแล้วเราจะรู้สึ ก, เ ร, รสกเราจะรู้สึกไม่ดีอาจจะไม่ใช่เป็นคนดีจะไม่มีใครสรรเสริญยกย่องเราถ้าเขารู้ว่าเราเป็นคนไม่ดีให้มีความอายกลัวแล้วก็ให้มีความกลัวกลัวของผลของบาปที่จะตามมา ผลของบาปที่จะตามมาก็คือทำบาปปั๊บสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเบื้องต้นก็คือความไม่สบายใจทุกข์ใจ <c oughs> กังวลใจหวาดกังวว่ า, า จ, จะมีใครรู้ว่าเราทำบาปหรือเปล่าเช่นเจ้าหน้าที่ตารวจเขาจะมาตามจับเราหรือเปล่าเป็นต้นก็จะอยู่อย่างไม่เป็นสุขต้องอยู่แบบระหัดระแวงแล้วตายไปก็ต้องไปรับ ผลของการกระทำบาปในอบายต่อไปการจะมีฮิริโอตปะได้ก็ต้องมีผู้สั่งผู้สอนเช่นคนที่รู้เรื่องบุญเรื่องบาปเช่นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นต้นมันก็จะทําทให้เราเกิดความกลัวในการกระทําบาปขึ้นมาถ้าเรามีฮิริโอตปาถ้าเราไม่เสกอบายมุกแล้วโอกาสที่เราจะไปทําบาปนี้มีมีน้อยมากแต่ยังไม่ใช่ว่าไม่มีก็ยังมีอยู่ เพราบางเวลาแล้วอาจจะเกิดเกิดลูกลูกแก่โทสะหรือโมหะหรือโลภะขึ้นมาเวลาเกิดความโลภมากๆก็อาจจะลืมอยากจะ อ, อยากจะได้สิ่งที่อยากได้มาก็อาจจะไปทำบาปได้ในเวลาที่โกรธใครมากๆขึ้นมาก็อาจจะไปทำร้ายเขาได้การตายก็มีเท่านั้นที่เราจะต้องคอยละมัดระวังก็คือต้องอย่าไปเสพอบา ย, บายมุขให้เรารักษาศีลห้า แล้วก็ให้มีฮิริโอตปะคอยเตือนใจว่าคนทําบาปนี้เป็นคนไม่สวยงามเป็นคนที่น่าอบอายถ้าเราอยากจะเป็นคนสวยงามเป็นคนที่คนอื่นเขาชื่นชมยินดียกย่งเราก็ต้องไม่ทําบาปเราก็ต้องคิดถึงโทษที่จะตามมาทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่ืใจก็จะทุกข์ไม่สบายใจเวลาที่ได้ทําบาปไปแล้วแล้วหลังจากที่ตายไปใจก็จะต้องไป เกิดนายบายต่อไปนี่คือวิธีการที่เราจะปฏิบัติต่อการระ ง, งับการกระทำบาปทั้งปวงส่วนการทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายถึงพร้อมก็มีสองระดับระดับทานกับระดับภาวนาระดับทานก็คือให้เราคิดว่าเงินทองที่เรามีอยู่นี้มันก็มีไว้เพื่อใช้เลี้ยงดูร่างกายไปวันวันหนึ่งเท่านั้นตายไปเราก็เอาอะไรติดตัวไปไม่ได้ แต่ถ้าเราเงินทองที่มีเหลือกินเหลือใช้นี้ไปทําบุญทําทานไปช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกได้ยากเดือดร้อนมันจะทําให้ใจเรามีความสุขในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นะบุญที่เราได้ทํานี้มันก็จะสะสมไว้ในใจของเราเวลาที่ใจเวลาที่ร่างกายตายไปบุญที่เราทํานี้แหละจะเป็นตัวส่งให้ดวงวิ ญ, ญญาณของเราหรือใจของเราไปเกิดในสวรรค์ไปเป็นเทพชั้นต่างๆ อันนี้ก็คือเรื่องของการทําบุญเพื่อให้ดวงวิญญาณหรือจิตใจได้เวียนว่ายในสุขคติในระดับชั้นเทพสวรรค์ชั้นเทพเทวปภ พ, พ, บพบแล้วถ้าเราอยากจะได้บุญหรือได้ความสุขที่สูงกว่าความสุขที่ได้จากการทําบุญทําทานได้จากสวรรค์ชั้นเทพเราก็มีอีกทางอีกระดับหนึ่งที่เราสามารถทําได้ก็คือการภาวนาการทําสมถะภาวนา ก็คือการทําจิตใจให้สงบให้เข้าสู่ฌานขั้นต่างๆอันนี้เรียกว่าสมถะภาวนาทาใจให้สงบด้วยการเข้าฌานฌานมีอยู่4มีอยู่8ชั้นด้วยแบ่งเป็นสองระดับรูประฌาน4ี่อาูประฌาน4อันนี้เป็นจะเข้าฌานก็ต้องอาศัยสติต้องมีสติคอยกำกับคอยควบคุมใจไม่ให้คิดปรุงแต่ ใจเราธรรมดาถ้าไม่มีสติมันจะคิดเรื่อยเปื่อยตั้งแต่ลืมตาขึ้นมานี้มันก็จะคิดไปเรื่อยไปยกระทั่งถึงเวลานอนหลับเวลานนหลับบางทีก็ไม่หยุดคิดเวลาที่เรานอนหลับแล้วเวลาใจคิดนี้ก็คือมันปรุงมันสร้างความฝันขึ้นมานี่เองเวลาที่เรานอนหลับเราฝันไปเนี่แสดงว่าใจเรายังคิดอยู่คิดถึงเรื่องราวต่างๆแล้วก็มาสร้างเรื่องราวให้เป็นความฝันขึ้นมา ถ้าเราต้องการควบคุมความคิดนี้เราต้องใช้สติการที่เราจะมีสตินี้เราจะต้องมีอุบายของกรรมฐานคือต้องอาศัยกรรมฐานอารมณ์ที่เราจะสามารถเอามาใช้เพื่อคอยควบคุมความคิดต่างๆได้เช่นพุทธานุสติก็ให้เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าเช่นคารบริกรรมพุทโธพุทโธไปลืมตาขึ้นมาอย่าปล่อยให้ใจคิดเราเริ่มคิดพุทโธก่อนเลยก็ได้ พอเราพุโทโธพุโทโธมันก็จะไม่สามารถไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าไปได้มันก็ไปได้ไม่นานเพราะเราไม่ไม่ไม่ส่งเสริมมันเราไ ม, ไม่ไม่ได้ไปคิดตามมันมันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราเราก็อยู่พุโทโธของเราไปเดี๋ยวเรื่องที่มันคิดขึ้นมาเองมันก็จะหายไปเองหรือถ้าเราจะใช้กายกตาสติก็ได้คือการเฝ้าดูการเคลื่อนดูลีอาบทต่างๆของร่างกาย เพราะเราตื่นขึ้นมาเราก็ดูว่าตอนนี้ร่างกายเราอยู่ท่าไหนกำลังอยู่ท่านอนก็รู้ว่ากำลังอยู่ท่านอนพอกำลังจะลุกขึ้นมาก็รู้ว่ากำลังจะลุกขึ้นมานั่งพอนั่งก็รู้ว่านั่งพอลุกขึ้นมายืนก็รู้ว่ายืนพอเริ่มเดินก็รู้ว่ากำลังเดินเวลาเดินก็เดินไปกับร่างกายเวลาไปทำกิจอะไรก็ทำไปกับร่างกายร่างกายไปอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันก็ทำไปกับร่างกายให้จิตเกาะติดอยู่กับการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกาย อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการมีสติเพื่อสกัดความคิดต่างๆหรือไม่ไหลไม่ไหลาตามความคิดต่างๆที่ยังอาจจะโผล่ขึ้นมาได้อยู่อาจจะคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้แต่เราไม่ไปสนใจเราไม่ไปคิดตามเรามาอยู่กับร่างกายของเราหรือมาอยู่กับคําบริกรรมพุโทโธพุโทโธอย่างนี้ต่อไปความคิดที่เคยคิดขึ้นมาเรื่อยๆมันก็จะอ่อนกําลังลงไปเรื่อยๆมันจะคิดน้อยลงไปเรื่อยๆ แต่กระทั่ง ม, มันอาจจะหยุดคิดเป็นพักๆไปก็ได้ทำให้ใจว่างเย็นสบายถ้าเรามีสติในระดับนี้แล้วเวลาเรามานั่งสมาธิเพื่อให้ใจเข้าสู่ฌานระดับต่างๆนี้มันก็จะเป็นไปได้อย่างง่ายได้นั่งเราจะไม่ฟุง้งซ่านสาเหตุที่คนนั่งสมาธิแล้วไม่เกิดผลเพราะว่าไม่มีสติพอที่จะมายับยั้งความคิดเนี่ย ่านั่งดูลมปับดูได้สองสามครั้งไปแล้วไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็ไปคิดตามเขาคิดคิดไปบางทีเผลอไปเป็นหลายสิบนาทีเลยก็มีแล้วก็รู้สึกนั่งแล้วเจ็บขึ้นมาก็นั่งทนต่อนั่งไปไม่ได้แต่ถ้ามีสตินี้นั่งแล้วใจใจะใจสงบง่ายสงบเร็วแล้วเวลาใจสงบแล้วอาการเจ็บปวดของร่างกายก็จะไม่เป็นปัญหาต่อใจ สามารถนั่งได้นานนั่งได้ถึงครึ่งชั่วโมงชั่วโมงน้ได้อย่างสบายและเวลาจิตสงบก็จะได้รับกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ของความสุขชนิดอื่นเช่นความสุขจากลาบยศสรรสิญจากรูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะนี่จะสู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้ถ้าได้ความสุขจากความสงบแล้วมันก็จะติดติดใจชอบความสงบ ก็จะเปลี่ยนวิธีหาความสุขเมื่อก่อนอาจจะเป็นคนที่ชอบออกสังคมออกไปไปตามงานต่างๆไปหาความสุขจากสถานบันเทิงต่างๆ ต, ต่อมาพอได้ความสงบจากสมาธิแล้วนี่รู้รู้อยู่ว่านี่คือความสุขที่เหนือกว่าดีกว่าก็จะเปลี่ยนวิธีแทนที่จะออกไปข้างนอกก็กลับจะเข้าข้างในกลับไปหาที่สงบอยู่เบวิเวกอยู่ตามลาพังของตน ก็ เ, เจริญสตินั่งสมาธิต่อไปอันนี้ก็เป็นขั้นของการทําบุญกุศลในระดับที่เรียกว่าภาวนาบุญกุศลมีสองระดับด้วยกันคือทานกับภาวนาทําบุญทำทานเรียกว่าเป็นบุญกุศลอย่างหนึ่งระดับที่สองก็ ก, การภาวนาทําจิตใจให้สงบด้วยการเจริญสติอันนี้ก็จะพาให้จิตใจนี้ขึ้นไปสู่ ระดับพร ม, มโลกซึ่งเป็นระดับสูงสุดของพบของตไตพบคือการมาพบรูปประพบและอารมูปประพบ mm hmm. การนั้เข้าสมาธิเข้าฌานได้ก็จะส่งให้ใจิตใจไปอยู่ในระดับรูปประพบหรืออารูปประพบไปเป็นรูปประพรหรืออารูปประพรม mm hmm. แต่อำนาจของสติของสมาธินี้ก็ยังเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เจริญแล้วก็เสื่อมได้ mm hmm. พอสติสมาธิออกกําลังลง กิเลสตัณหาความอยากที่ถูกกำลังของสมาธิกดไว้ก็จะโผล่ขึ้นมาก็จะมาออกมาออกฤธิออกเดชก็จะดึงให้จิตใจกลับมามีมามีร่างกายใหม่มาเกิดใหม่ถ้าไม่อยากจะให้ร่างกายไม่ให่อยากให้จิตใจกลับลงมาเกิดใหม่พอได้สวรรค์ชั้นพรหมแล้วได้ได้รูปประชานหรือรูปประชานแล้วขั้นต่อไปก็ต้องไปเจริญขั้น ขั้นที่สามคือการชำระจิตใจให้สะอาดด้วยปัญญาก็อย่างที่ได้พูดไว้ว่าปัญญาก็คือการมองความจริงมองความจริงว่าสิ่ ง, งต่างๆสภาวธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ที่จิตอยากได้อยากมีอยากเป็นนี่มันล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เพราะอะไรทุกข์ว่ามันเป็นมันเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องมีการหมดไป ได้ลาบยศสรรเสริญได้สุขมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเปลี่ยนไปจากการเจริญไปสู่การเสรื่อมเจริญลาบก็มีการเสรื่อมลาบเป็นธรรมดาเจริญยศก็มีการเสรื่อมยศเป็นธรรมดามีสรรเสริญก็มีกลับเป็นนินทานมาเป็นธรรมดามีสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสก็มีทุกข์เป็นธรรมดาตามมาเพราะนี่คือธรรมชาติของสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์เพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยง เป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถไปควบคุมบังคับไปสั่งให้มันให้ความสุขกับเราได้ตลอดนี่คือระดับปัญญาเราต้องมองให้เห็นสภาวะธรรมทั้งปวงที่ใจเราไปอยากไปมีไปครอบครองเช่นลาบยศเสรเสร ส, สนุกและการจะมีลาบยศเสรเสรสุขได้ก็ต้องมีร่างกายมีตาหูจมูกนิ้วกายร่างกายก็เป็นของไม่เที่ยงร่างกายก็เป็นอนิจจทุกขังอนัตตา ตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นของไม่เที่ยงเวลามีมันใช้มันได้ดีก็ดีแต่พอเวลามันแก่มันชรามันเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็จะไม่สามารถเอามาเป็นเครื่องมือหาความสุขได้มันก็จะมีแต่ความทุกข์ป้อนให้กับจิตใจการพิจารณาทุกอย่างที่ใจไปยึดไปติดให้ความสุขแม้แต่เวทนาก็เหมือนงานสุ ข, ขเวทนาก็เป็นของไม่เที่ยงสุขแลเดี๋ยวมันก็กลายเป็นทุกข์ขึ้นมาได้ อารมณ์ต่างๆก็เป็นของไม่เที่ยงอารมณ์ดีเดี๋ยวอารมณ์ดีหายไปอารมณ์บูดเบี้ยวก็ปากดขึ้นมาได้งนั้นอย่าไปอย่าไปอยากกับสิ่งต่างๆที่เป็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไตรักษ์ถ้าพิจารณาแล้วก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในไตพบนี้ในการมาพบในรูปะพบในอารูปะพบนี้ล้วนเป็นไตรักษ์ทั้งหมดรู้แล้วก็อย่าตัดการมตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหา ที่มีในใจให้หมดสิ้นไปได้พอตัดได้ด้วยปัญญาแล้วทีนี้ก็ปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่มีกำลังไม่มีอันที่จะกลับมาเกิดได้อีกต่อไปมันก็จะหมดกำลังลงไปมันก็จะไม่มีอิทธิพลต่อการที่จะดึงให้จิตใจกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปอันนี้เป็นระดับที่สามของคำสอนของพระเจ้าคือให้ชำระใจให้สาดบริสุทธิ์นี่แหละคือเส้นทางชีวิตของจิตใจ ของพวกเราทุกคนที่เราทุกคนสามารถเลือกได้จะไปเส้นไห น, นเส้นทางชีวิตนี้ก็มีแบ่งเป็นสามสามเส้นด้วยกันสามทางด้วยกันไปเวียนว่ายตายเกิดในในทุกขติก็ได้ด้วยการเสพประบายยมุกด้วยการทำบาปเป็นอา จ, จนินหรือจะไปทางสุ ข, ขติก็ได้ด้วยการละเว้นการเสพประบายามุกละเว้นจากการ ก็ทำบาปทำแต่บุญอย่างเดียวทำบุญทำทานตามกำลังมีมากมีน้อยก็ทำไปตามกำลังอันนี้ก็จะพาให้ได้ไปเวียนว่ายตายเกิดในสุคติชั้นสวรรค์ชั้นเทถ้าอยากจะไปสูงกว่าสวรรค์ชั้นเทก็ต้องไปฝึกสติไปนั่งสมาธิไปถือศีลแปดไปภาวนาไปเจริญสมะถะภาวนาก็จะได้สวรรค์ชั้นพรหมชั้นรูปประรมและอรูปประพรม แล้ถ้าอยากจะออกจากปลายพบไปสู่ระดับของพระอริยบุคคลไปสู่พระนิพพานก็ต้องเจริญปัญญาพิจารณาทุกสภาวะธรรมทั้งป่วงว่าเป็นอนิจจทุกขังอนัตตาสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมีรายโพขึ้นมาปั๊บถ้าอยากได้ปั๊บต้องคิดถึงตายนักทันทีว่ามันเป็นของชั่วคราวเดี๋ยวมันก็หมดไปเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปอย่าไป อย่าไปอยากได้เวลาอยากว่าไม่ได้หรือเวลาได้มาแล้วมันหมดไปมันจะทำให้เราทุกข์แล้วมันจะทำให้เราติดมันจะทำให้เราต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกลับมาหามันอยู่เรื่อยๆหามันกี่รอบ ก, ก็ไม่อิ่มไม่พอปัญหาความอยากนี้ได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอพระพุทธเจ้าบอกว่าต้องอน้าทะเลในมาหาสมุทรในทะเลนี้ใยากว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็มีขอบมีฝั่ง แต่ความอยากนี้มันไม่มีขอบไม่มีฝัง่งได้เท่าไหร่มันไม่อิ่มไม่พอได้เคือก็อยากจะได้สอบได้สอว ก, ก็อยากจะได้วาอยากจะได้ไปเรื่อยๆได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอเมื่อร่างกายที่เป็นเครื่องมือมันตายไปมันก็จะกลับมามีร่างกายอใหม่เพื่อมาหาใหม่อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆจึงทาให้ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในภพต่างๆอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราสามารถตัดตัดหาทั้งสามนี้ได้ด้วยการพิจารณาปัญญา ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ตันหาต้องการนี้เป็นตายลักษเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ความอยากต่างๆมันก็จะหายไปหมดไปแล้วการที่จะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็จะไม่มีอีกต่อไปนี่ก็คือเรื่องของเส้นทางชีวิตที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร้ ยะท้าวเรวหาปุราปิลิปุิเพรนติสักหลังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปการปติอิจิตตังปะทิตตังคุมห um ังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปริเพนตุสังกปา จันโทปนะระโสยธามะนิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทิขายุโกภวะอภิวาทนศีลิศานิจจังวุฒาปะจายโน จตารโหเทมาวันติอายุวโนสุขัาพาลัช่วงต่อไปนี้ก็ช่วงถามตอบคำถามใครอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงเดียวที่จะตอบคำถามเพราะเลักแล้วมันจะไม่สะดวกเน้นถ้าใครอยากจะถามอะไรขอเชิญถามในช่วงนี้ ถ้าไม่สะดวกที่จะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่กรนดนิมมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมานากุติจากทางเฟซบุ๊ก493ท่าน ทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติสา9รอยี่สิเกท่านทาง YouTube ด็อกเตอร์วีชาแนลหสิบหกท่านวิทยุออนไลน์แดท่านขลับเท้าสี่ท่านนากุติหนึ่งรอสี่ิบห้าท่านรวมทั้งหมดเป็นหนึ่งพันสสิบห้าท่านเจ้าค่ะยัถามได้เลยเจ้าค่ะมีคำถามจากผู้รับฟังธรรมนหนากุติเจ้าค่ะคำถามแรก การซื้อขายพระเครื่องทำได้ไหมเจ้าคะได้ก็เป็นสินค้ายอย่างหนึ่งไดที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมะไรทำได้เจ้าคะ่ะคำถามที่สองยานแต่ละขั้นควรฝึกอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไรครับฌานฌานคือความสงบก็ฝึกด้วยการใช้สติ เลือกล้อยู่กับพุทโธพุทโธไปให้ใจเป็นอารมณ์เดียวไม่ให้ไปตามความคิดต่างๆพอความคิดหายไปใจก็จะนิ่งสงบเป็นฌานขั้นต่างๆขึ้นมาคำถามจากคุณจรัญญากราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะขออนุญาตฝากคำถามนะคะเวลากระทบทางอาจยะนัต่างๆ ให้ว่าจะได้ยินได้เห็นหรือความคิดทำยังไงถึงจะถูกต้องคะส่วนมากคือใจชอบที่จะปรุงแต่งขึ้นเช่นพอใจหรือไม่พอใจก็ทำให้ใจขุ่นมัวฟุ้งซ่านไม่สงบเลยค่ะถ้าเรามีการกระทบของอายตนะต่างๆเราควรทำอย่างไรเจ้าคะจึงเรียกว่าจะถูกต้องเจ้าคะ่ะ ก็ควรจะใช้สตินี่แหละให้ให้รู้เฉยๆไปพอสัมผัสอะไรก็ให้สักแต่ว่ารู้ไปถ้าใจยังคิดปรุงแต่งอยู่ mm. ก็แสดงว่าเราต้องไปฝึกสมาธิก่อนถ้าเรามีสมาธิแล้วใจเราจะเฉยๆจะรู้เฉยๆได้ถ้าใจยังไม่มีสมาธิว่าเห็นอะไรกระทบกับอะไรก็จะเกิดความรักชังขึ้นมางนั้นไปฝึกสมาธิให้หยุดความรักความชังก่อน พออยู่คำารักความชังได้เวลาออกมาเจออะไรก็เฉยเฉยได้ไม่ไม่เดือดร้อนใครชมก็ไม่เดือดดีใจใครด่าก็ไม่ได้เสียใจเฉยเฉยเพียงจะรับรู้ไปเท่านั้น คำถามจากทางยูทูบเจ้าค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์สุชาติขอรับหากถูกบูลลี่ทำหลักฐานเทศใส่ลายป้ายสีเพื่อให้เราออกจากการเราใช้การเ จ, เจเริญสติกรรมฐานดูแลจิตใจตัวเองข อ, อกาดถามว่าเราควรปล่อยใจโดนให้โดยให้ออกหรือควรหรือควรต่อสู้ต่อขอรับ ตอนต้นไม่ค่อยเข้าใจคําถามน้งมนองช้าๆหน่อยเหมือนว่าเขาโดนบูลลี่ออกจากงานเนี้ยค่ะแล้วก็โดนใช้หลักฐานเท็จเพื่อให้ถูกขับไล่ออกทีนี้เขาเขาควรจะสู้ต่อหรื อ, ห ร, อหรือออกไปเลยถ้าสู้ได้ก็สู้ไปถ้าพิสูจน์ได้ว่าเราไม่ได้เป็นดังที่เขาว่าก็ทําไปถ้าทําไม่ได้ก็รับกรรมไปก็แล้วกันถือว่าเป็นกรรมของเราไปเจ้าค่ะ คำถามจากคุณ ก, กานาขอสอบถามค่ะมีสองคำถามคำถามที่หนึ่งจิตมีความยึดติดร่างกายมากเวลามีความเจ็บป่วยเล็กน้อยมีความมิตตกกังวลมากจะต้องปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้จิตยอมรับว่าร่างกายไม่ใช่เราค่ะก็ต้องฝึกสติฝึกสมาธิเยอะๆเรารู้แล้วว่าร่างกายไม่ใช่เราแต่ แต่กเลสมัไม่ยอมฝังเราต้องใช้สติใช้สมาธิหยุดกิเลสให้ใจเฉยๆพอใจเฉยๆใจก็ปล่อยวางร่างกายได้นั้นต้องฝึกสตินั่งสมาธิให้เข้าฌานให้ได้ถ้ามีฌานแล้วทีนี้ก็ปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยอะไรก็ปล่อยได้หมดอยู่ที่การมีสติมีฌานหรือไม่คาถามข้อที่สองเจ้าค่ะการนั่งสมาธิให้จิตรวมทาอย่างไรเจ้าค่ะ ก็ให้มีสติตลอดเวลาไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาที่เรามานั่งอย่างเดียวเราต้องมีสติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยมันจะ ต, ตื่นขึ้นมาก็มีสติคอยควบคุมความคิดควบคุมใจให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปหรือให้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายไปแล้วเวลามานั่งสมาธิก็ทาต่อไปแล้วมันก็จะสงบได้คำถามจากคุณพาวินีกราบเรียนสอบถามเจ้าค่ะ การบริจาคอวัยวะกับการบริจาคร่างกายได้บุญใหม่เจ้าขาถ้าบริจาคตอนที่มีชีวิตอยู่ก็ได้เราต้องรู้คนผู้บริจาคต้องรู้ว่าตอนนี้ตอนเี้ได้บริจาคอะไรไปเช่นเวลาบริจาคเลือดนี่เราก็จะรู้ว่าเราได้บริจาคเลือดแล้วเราก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาความสุขใจเนี่คือบุญแต่เวลาเาตายไปแล้วเข้าเลื่อดเราไปทําอะไรเราไม่รู้ละ เราจะไม่ได้บุญเขาจะหัวใจเอาตับเอาปอดเราตายไปทาอะไรเราไม่รู้ละเราจะไม่ได้บุญแต่อย่างไงเพราะเราไม่รู้ไม่รู้ว่าข้าเอาไปหรือเปล่าคำถามจากทางยูทูบเจ้าค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะเวลานั่งสมาธิถ้าใช้ดูลมหายใจแล้วรู้สึกเหมือนตั้งใจกําหนดลมหายใจทําให้รู้สึกอึดอัด หรือถ้าใช้บริกรรมพุทโธก็เหมือนบังคับให้คิดทำให้ตึงหัวมีวิธีแก้อย่างไรคะไปนอนซะอย่างนั้นแสดงว่ายังทำไม่ได้แล้วต้องฝึกสติมาให้ ม, มากๆก่อนต้องฝึกสตินั้นแต่ลืมตาขึ้นมาถัดต่องพุทโธพุทโธไปแล้วดูว่าร่างกายกาลังทาอะไรไปก่อนแล้วต่อไปเวลามานั่งมันก็จะทำได้ถ้าทาไม่ได้ก็ไปนอนเถิ ทม่เ <laughs> คคาถามจากคุณพีพีเจ้าค่ะพระอาจารย์คะมีปัญหาด้านการเงินเปิดร้านลูกค้าไม่ค่อยมีเลยคะ่ะจะแก้ไขให้ดีขึ้นจะทำยังไงคะตอนนี้มืดแปดด้านเลยคะ่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะก็ไปเปิดที่มีคนสิ <laughs> ไปเปิดที่มีค <laughs> น <laughs> แนวศูนย์การค้าไปเปิดที่นั่นเลยเนี่ยคนก็ไปศูนย์การค้ากันเดี๋ยวไปเปิดแถวป่าช้าอย่นี้คําถามจากทาง facebook สิค่ะเวลานั่งสมาธิโดยใช้ลมหายใจปฏิบัติในห้องนอนปกติไม่เคยมีมดหรือมแมลงมาเลยแต่เวลานั่งไปนานๆจะมีอาการมดไต่หรือมดกัดตามร่างกายเจ็บคัน แต่ไม่เคยขยับร่างกายแค่รู้สึกอย่างเดียวสักแต่ว่ารู้สึกอย่างเดียวถูกต้องไหมคะบางครั้งเจ้าค่ะบางครั้งมีอธิษฐานจิตบอกว่าอย่ามารบกวนการนั่งปฏิบัติธรรมเจ้าค่ะอธิษฐานจิตว่าอย่างไงนะแบบว่าไม่ให้ไม่ให้หมดหรือมแมลงมารบกวนเจ้าค่ะอ๋อมันเป็นของจริงหรือเปล่าหรือว่าใจเราคิดขึ้นมาบางทีใจเรามันไม่ชะท้อบของพวกนี้อยู่แล้ว พอนั่งสมาธิใจมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาถ้าเป็นของจริงเราก็หาวิธีการมันเสร็จมีอะไรก็กวาดไปไล่ไปหาวิธีการแม่มันขึ้นบ้านเราแต่ถ้าการไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันไปยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะของบางอย่างเราทำได้เราก็ทำไปถ้าทำไม่ได้เราก็ต้องอยู่กับมันไปเช่นร่างกายของเรารักษาได้ก็รักษาไป ภาษาไม่ได้มันจะไม่หายมันจะเป็นอย่างนี้ก็ต้องอดยู่กับมันไปเราก็จะไม่ทุกข์ถ้าเราอยากจะให้มันหายแล้วไม่หายแล้วอยากอยู่นั่นเน่ะมันก็จะทําให้เราทุกข์ไปเรื่อยๆเราต้องรู้จักวิธีปฏิบัติกับสิ่งต่างๆสิ่งต่างๆนี้มีสองระดับด้วยกันระดับที่เราทําได้ก็ทําไประดับไหนที่เราทําไม่ได้ก็ต้องทําใจไปยอมรับยอมรับเขาเขาเป็นอย่างนี้เราห้ามเขาไม่ได้เปลี่ยนเขาไม่ได้ เราก็ต้องอยู่กับเขาไปเราก็จะไม่ทุกข์กับเขาได้ยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนัตตาอมันไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบงังคับของเราเสมอไปบางทีเราก็ควบคุมมันได้บางทีก็ควบคุมไม่ได้ในร่างกายของเรานี่บางทีเราก็ควบคุมมันได้บางทีก็คว บ, มมบควบุมมันไม่ได้ ตรงไหนที่ควบคุมไม่ได้ก็ต้องทําใจอยู่กับมันไปถ้าไม่ยอมไม่ยอมทําใจใจก็จะทุกข์หรือ ว, ว่าคนอื่นก็เหมือนกันคนอื่นบางทีแล้วว่าควบคุมได้บางทีก็ควบคุมเขาไม่ได้ลูกๆของเราตอนที่เขาเป็นเด็กเราก็ควบคุมก็ได้สอนเขาได้ให้เขาทาอะไรได้พอเขายิ่งโตขึ้นมาก็สอนไม่ได้แล้วเพราะมันเป็นธรรมชาติของเขาที่เขาจะต้องอยากไปทําอะไรตามความต้องการของเขาเอง แล้วเราก็ต้องรู้จักว่าสิ่งไหนที่เราทำได้เราก็ทำไปสิ่งไหนที่เราทำไม่ได้เราก็ต้องทรงไปอยอมรับความจริงไปแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆเหตุการานต่างๆกา ร, ารปฏิบัติธรรมนี้ก็เพื่อให้เห็นไตรลักษณ์เห็นทุกอย่างว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงอนัตตาเป็นของที่ไม่นะของที่เราควบคุมบังคับไม่ได้เสมอไปบางทีก็ควบคุมได้บางทีก็คว บ, บคบุมไม่ได้ อันนี้จางก็มันก็เปลี่ยนไปอันเป็นเด็กมันก็เป็นอย่างหนึ่งพอโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่มันก็เป็นอีกอย่างมันก็เปลี่ยนไปอันเด็กก็ควบคุมได้พอโตขึ้นมาควบคุมไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันไปทุกอย่างร่างกายก็เหมือนกันตอนนี้เรายังควบคุมมันได้แล้วให้มันอยู่เป็นปกติได้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเดี๋ยวต่อไปมันก็อาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเกิดขึ้นมา รักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันไปสงสารมันจะตายจากกันไปถ้าเราทำอย่างนี้ได้ใจเราจะไม่ทุกข์กับอะไรมีคำถามอีกไหมยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะมีใครอยากจะถามก็เข้ามาถามได้นะมช่ชชข้างหลังะจะส่งใหม่เลยเล้าใหม่พูด ไ ม, ไม่ต้องอรครับอขออนุญาตหลวงพ่อนะครับผมผมอยากจะทราบว่ารูปรถกลิ่นเสียงโพธพภะและธรรมรสถ้าเกิดว่าเราเราตายไปนะครับเราสลายไปเนี่ยสิ่งพวกนี้ยมันจะติดตามดวงจิตเราไปไหมครับมไม่ไปหรอกความมุนี้มันอยู่ในโลกนี้มันต้องมีต่าร่างกายมีตาหูจมูกลิ้นกายถึงจะไปสัมผัสรับรู้มันได้สิ่งที่จะติดไปก็คือธรรมรสอาจจะติดไปได้อยู่ สิ่งที่เป็นอยู่ในใ จ, ในใจที่เกิดธรรมอารมณ์ต่างๆนี้มันจะติดไปตดแต่รูปเสียงกลิ่นรสนี้มันจะไม่ไปติดไปทั้งหมดตั้งแต่เราเริ่มจำความได้ตั้งแต่เด็กจนถึงเราเราตายเลยไหมครับก็แล้วแต่ว่ามันจะติดเป็นแบบเป็นเหมือนกับเป็นเป็นเหมือนอนิจชัยหรือเป็นอารมณ์ที่มันยังยังมาปรากฏขึ้นมาในใจของเราได้อยู่อยู่ที่เราไปดึงมันขึ้นมาหรือเปล่า บาทีเราไปคิดถึงมันมันก็โผล่ขึ้นมาคิดถึงอดีตบางคนเราเลิกเราเลิอกอดแต่ชาติได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของธรรมอารมณ์มันก็โผล่ขึ้นมาได้ครัขอขออนุญาตอีกข้อนึงครับอ่ในกรณีสมมุติว่าอผมมีอาชีพขับรถ น, นะครับผมพอผมขับรถไปเนี่ยถ้าเกิดเกิดอุบัติเหตุแล้วโดยที่เรามีรู้ตัวว่าเราเสียชีวิตอย่างเงี้ยพอพอพอเราขับรถไปแล้วมีรถมาชนเราแล้วเราเสียชีวิตอย่างเงี้ยอผมอยากจะทราบว่า ดวงจิตของเราอยากจะรู้ไหมว่าใครชนเราใครมาทำร้ายเราให้เราตายหรือว่าเราจะไม่ทราบละคงจะไม่ไม่สนใจแนละ้วมันตอนนั้นมันตกใจมันนะอาจจะไม่มีสติที่จะไปคิดถึงว่าอะไรตอนนั้นมันก็จะถูกถูกบุญและบาปที่มีอยู่ในใจเราดึงไปละวดึงไปครับแั่ก็ไม่ได้นันะ้นจิตของแต่ละดวงมันไม่มันไ ม, ไม่ไม่ตายตัว จิตบางดวงถ้ามันมีความผูกพันมันก็อาจจะอาจจะคิดก็ได้ว่าใครมันใครมาชนเราก็ได้แต่อันนี้ก็พูดไม่ได้ว่ามันจะเป็นอย่างไรแล้วแต่จิตของแต่ละคนครับครับนลวงพ่อจ้ะคหนูถามเพิ่มนะคะตอนที่ชนแล้วแบบเราตายกระทันหันนะคะอพอเรานึกขึ้นได้เราก็จะรู้ใช่ไหมคะว่าเราตายแล้วอ่ะ ไม่รู้จะเล่นได้เปล่ามันเหมือนนอนหลับอ่ะนอนหลับแล้วเราจะเล่น ก, ก็เปล่าเราเราหลับแล้วส่วนใหญ่จะไม่รู้ใช่นะไหมเวลาหลับแล้วเราไม่รู้ว่าเราหลับหรอเพราะเรากลับไปตื่นในตื่นในความฝันนี่ทิ้งเราก็จะไม่เราก็จะ ไ, ไม่รู้ว่าเราหลับหรือตื่นกันแน่วเวลาอยู่นในความฝันมันเหมือนกับเราไหลไปตามความรู้สึกเลยใช่ไหมเจ้าคะมันก็ จะว่าอย่างนั้นก็ได้มันก็แล้วแต่ว่าความรู้สึกมันจะปรุงจิตมันจะปรุงแต่งไปทางไหนส่วนใหญ่มันก็มีไปสองทางไปไปสู่ความสงบความสุขหรือไปสู่ความทุกข์ขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่เราได้ทําไว้ที่เราฝึกฝนไว้มันก็จะคิดไปในทางนั้นอย่างบางคนที่ที่เจ็บป่วยตายเจ้าค่ะบางทีมันเจ็บปวดเหมือนถ้าเป็นมะเร็งเจ้ค่ะจะตายไปกับความทุกข์กับความเจ็บปวด แล้วก็ถ้าเราเอามาเทียบกับคนที่อุบัติเหตุตายเจ้าค่ะอืมเหมือน ส, สติเราอันไหนมันมันจะดีกว่ากันเจ้าค่ะหลวงพ่อคือความเจ็บปวดและก่อนธรามทางจิตใจนี่มันต่างกันอยู่ที่จิตใจของแต่ละคนมีสติมากน้อยถ้ามีสติมากความเจ็บปวดทางจิตใจก็จะมีน้อยพราะมีอุเบกขาใจวางเฉยได้แต่ถ้ามีสติน้อยมันก็จะ ทรมานมากเพราะมันไม่มันไม่มีอุเบกขาพอที่จะยับยั้งใจไม่ให้ไปไปไปทุกข์กับมันมนั้นอยู่ที่การฝึกฝนอบ ร, รมสติของเราในขณะที่เรามีชีวิตอยู่อย่างพระหลานนี่ท่านตายแบบใจของท่านสงบใจท่านไม่เดือดร้อนใจท่านมีอุเบกขาเต็มร้อยเพราท่านเฉยได้ท่านวางเฉยท่านไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนถ้าอย่างนั้นเราจะต้อง ตั้งสติแล้วก็ฝึกสมาธิใช่ต้องต้องทำตั้งแต่ตอนที่เรายัางไม่ตายถ้าจะไปตั้งตอนที่ตายมันตั้งไม่ทั น, นต้องฝกสติไปเรื่อยๆต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆอย่างน้อยถ้าเป็นพระโสดาบานันมันก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายละมันไม่ทุกข์กับความเียบความตายของร่างกาย ครับนมัส ก, การพระอาจารย์ครับขออนุญาตถามต่อในเรื่องการเกิดอุบัติเหตุครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะปรารถนาจะไปพันิพาณนณะตอนนั้นนะครับจะต้องวางจิตยังไงตอนที่เกิดอุบัติเหตุนะครับก็วางตั้งแต่ตอนนี้ไงพอเราฝึกวางตอนนี้ได้ตอนนั้นเราก็จะวางแบบนี้ถ้าเราไม่ฝึกไม่ซ้อมก่อนถึงเวลามันก็ทําไม่ได้ถ้าเราฝึกบ่อยวางได้ตั้งแต่แบบนี้ร่างกายเจ็บร่างกายตายก็เฉยๆไปนี้ก็ไปนิ่ผ่านได้ แต่ถ้าไม่ฝึกเลยพอมันร่างกายเจ็บมันจะมันก็จะวุ่นวายขึ้นมา ท, าทันทีอยู่ที่การฝึกฝนอบรมก่อนที่เราจะตายถ้าไปทําตอนที่ตายทําไม่ทันหรอกพระอาจารย์เจ้าคะอย่างที่เราฝึกสมาธิกันเนี้ยคะ่ะเพื่อเพื่อจิต ด, ดวงสุดท้ายของเราใช่ไหมคะที่ว่าไม่ยึดติดอะไรเลยคําจริงก็ไม่ใช่สุดท้ายละ เพื่อความสุขในปัจจุบันด้วยเวลาฝึกสมาธิเราจะได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปเสพรูปเสียงกลิก่นรสเราก็จะมีความสุขแล้วความสุขสมาธินี้มันสบายมันง่ายกว่าถ้าเราทําได้ไม่ต้องมีเงินมีทองเราก็มีความสุขได้แต่ถ้าความสุขทางรูปเสียงกลิกน่นรสนี้เรามักจะต้องใช้เงินทองไปซื้อของไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไปซื้อสิ่งที่ไปดูไปฟังอะไร เราต้องใช้เงินทองแล้วต้องใช้ร่างกายถ้าเวลาไหนที่เราไม่มีเงินทองหรือร่างกายเราไม่สบายเราก็ไม่สามารถมีความสุขได้แต่ถ้าเรามีความสุขจากสมาธิได้เราทําได้ทุกเวลาไม่มีเงินทองไม่เที่ยวเราก็ทําได้อยู่บ้านทําสมาธิได้เจ็บ่ายได้ป่วยนอนบนเตียงก็ทําสมาธิได้มันดีทั้งปัจจุบันและดีในตอนที่เราตายตอนที่เราตายจิตเราก็จะตายอย่างสงบไม่ไม่เครียดไม่ทุกข์ไปสวรรค์ ฉันพรมได้เลยเจ้าค่ะหล อ, อ, องตาเจ้าค่ะถ้าเราฝึกอะค่ะอะ เหมือนที่หลวงตาบอกพยายามฝึกสติให้มากใช่ไหมเจ้าคะแล้วก็ถ้าเหมือนแบบในในในชาติเนี้ยค่ะเราอาจจะยังทําได้ไม่ถึงกับนิพพานอย่างเงี้ยเจ้าคะ่ะแต่ก็พยายามรักษาศีลไปด้วยฝึกสติไปด้วยอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าเหมือนเราเราเราตายไปอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วเหมือนดวงจิตเราก็จะต้องกลับมาเวียนว่ายอีกใช่ไหมเจ้าค่ะใช่แล้วก็กลับมาทําต่อได้สิ่งที่เราทําอยู่นี้มันจะอยู่กับใจเรา ถ้าเราก็นั่งสมาธิได้ยี่สิบนาทีชาตินั่กลับมาแล้วก็จะนั่งยี่สิบนาทีได้แต่ก็จะทําให้เราใกล้นิพานมากขึ้นใช่ไหมเจ้าะคะก็ <overcoming> ถ้าเราปฏิบัติมากขึ้นมีสติมากขึ้นมีสมาธิมากขึ้นมีปัญญามากขึ้นมันก็จะใกล้นิพานเข้าไปเรื่อยๆถ้าจะนิพานชาตินี้ก็ต้องสินนงส้นแผลเนคขมั่นสิ้นแผลขึ้นไปสิ้นแผลมันช่วยช่วยทำให้เรามีเวลาฝึกสมาธิแล้วพอเราได้สมาธิเราก็จะได้ใช้ปัญญามาสอนใจให้ปล่อยวางได้ แล้วค่ะคนนึ่ไปบวชกันไงคนที่บรรลุนิพพานส่วนใหญ่จะเป็นนักบวชครูบาอาจารย์ต่างๆพราสาวกของพระเจ้านี้เป็นนักบวชตรงนั้นก็มียกเว้นบางคนที่เป็นภาระวา่าแต่เป็นส่วนน้อยพวกนี้อาจจะมีได้ฝึกมาชาติก่อนแล้วพอมาเกิดปั๊บมาทําต่อมันก็บรรลุได้โดยที่ไม่ต้องไปบวชก็ได้เซ้าค่ะมีคําถามจากทางยูทูบเซ้าค่ะ กราบพระอาจารย์ค่ะปฏิบัติเริ่มแรกคนเป็นพุทธานุสติหรือกายานุสติคะสําหรับคนที่จะเริ่มปฏิบัติค่ะได้ทั้งสองอย่างนะแต่เราจะเลือกเราชอบแบบไหนถ้าชอบทมบริกรรมก็พุทธโธพุทธโธไปถ้าชอบเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ดูไปสามารถเลือกได้อันนี้แล้วแต่จลิตของแต่ละคนเหมือนกว๋วยเตี๋ยวกับข้าวผัดเนี่ ย, บ า, ย, ากกยบางคนก็อยากกินก๋วยเตี๋ยวบางคนก็อยากกินินข้าวผัด ชอบแบบไหนก็ทําแบบนั้นไปค่ะแล้วถามต่อว่าจะไปกราบพระอาจารย์วันไหนได้บ้างคะเนี่ยทุกเสาร์อาทิตย์วันพระตอนบ่ายสองโมงเนี่ยมาได้ทุกทุกสองทุกทุกวันวันเสาร์อาทิตย์วันพระวันอยู่ราชการก็จะมีการแสดงธรรมตอนบ่ายสองโมงหลังจากเสร็จการแสดงธรรมก็มีการถวายทําบุญทําทานของญาติโยมแล้วก็มีการสนทนาถามตอบคําถามต่อไป เจ้าค่ะมีคำถามจากคุณประพันธ์เจ้าค่ะทาอย่างไรให้มีความสุขกายสุขใจตลอดไปครับสุขกายก็ต้องดูแลร่างกายให้ถูกตามหลักลักษณะของสุขลักษณะก็ต้องเชื่อหมอฟังหมอบอกว่าต้องกินอาหารที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยดื่มน้ำสะอาดอย่าดื่มน้ําที่มีพิษเช่นโซลายาเมาอะไรต่างๆนี้ หรือของมันหวานมากเกินไปดื่มเข้าไปแล้วมันกลายเป็นพิษทําร้ายร่างกายได้ก็ต้องรู้จักกินรู้จักอยู่ที่ถูกต้องรู้จักออกกําลังกายแล้วก็ต้องพยายามทําใจไม่ให้ไม่ให้เครียดด้วยการฟังเทศฟังธรรมด้วยการปฏิบัติธรรมอย่างนี้ทั้งร่างกายก็จะอยู่อย่างสบายไปส่วนจิตใจก็ต้องอาศัยธรรมะคําสอนพุทธเจ้าฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติตามคําสอนแล้วจิตใจก็จะมีความสุขใจสบายใจ ยังไม่มีคำถามเข้ามาจ้าค่ะเชิญเชิญเข้ามาเลยเชิญเดี๋ยวเราเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไมค์กระพริบเลกาโภากาสพระอาจารย์นะคะถ้าเกิดกรณีที่ว่าเรายังมีปฏิฆะอยู่แล้วเกิดจิตเราดับแต่เราปรารถนาเป็นนิพพาน เราต้องไปชดใช้ในขั้นของอนาคามีไหมคะก็ต้องไปทําต่อต้องทําให้มันหมดเลยแล้วเราต้องต้องใช้ในแง่ของวิบากกรรมเหล่านั้นในขั้นปฏิฆะตรงจุดนั้นยังไงคะไม่มีวิบากกรรมมันก็ทําต่อไปนคําต่อไปเรื่อยๆจนตัดคืออยู่ในขั้นนั้นขั้นสุดท้ายเลยใช่ไหมคะใช่เหมือนตัดตัดต้นไม้ถ้ายังตัดไม่เสร็จก็ต้องไปตัดต่อวันพรุ่งนี้วันนี้ตัดไม่เสร็จตรงนี้ก็ไปตัดต่อ ผ่นไปจกนกว่าจะถอนรากถอนโคนต้นไม้ออกมาได้ก็จบครบชาติก็จะหมดแล้วถ้าเกิดว่าจิตยังไม่ดับเราติดปฏิฆะอยู่เมื่อเมื่อเกิดขึ้นในกรณีที่มันเบาบางลงแล้วแล้วเราเจอบุคคล น, นั้นนะ่ะจิตของปฏิฆะนี่ยังมีอยู่ไหมเจ้าคะมันก็ถ้ายังไม่หมดมันก็ยังมีอยู่อ๋อทุกอย่ายังไม่หมดมั น, ม, นมันไปกับจิตไงทุกอย่างที่มันยังอยู่ในจิตมันจะไปต่อส่วนไหนที่เรากําจัดได้แล้วมันก็จะไม่ไป อเช่นพระโสดาบันกำจัดอสักกายทิฏฐิได้แล้วพบหน้าก็ไม่มีสักกายทิฏฐิในจิตของคนคนนั้นก็เรียนว่าตายเกิดกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่มีสักกายทิฏฐิแต่มีปฏิฆามีอาการมราคะที่ยังไม่ได้กำจัดก็ต้องกำจัดต่อไปอจนปัจจัยกำจัดทั้งโยชนทั้งสิบได้หมดก็จะไม่กลับมาเกิดอกลับพระคุณสูงค่ะ ข้ามาอยากจะถามว่าซ่อนม า, อ, มาอยากให้คนที่ถามก่อนให้เขาถามก่อนเนะถามจ้ะถามได้ถ้านั่งสมาธิแล้วจิตปล่อยตัวอะไรจะกัดก็มันทิ้งร่างกายไปเลยอย่างเงี้ยเจ้ค่ะก็แสดงว่าจิตไม่อุเบกขาปล่อยวางได้ไม่ทุกข์กับร่างกายก็ดีพรเป็น เป้าหมายของการปฏิบัติเพื่อไม่ให้เราทุกข์กับร่างกายถ้าไปร่างกายเจ็บป่วยยังไงใจเราก็ยิ้มได้เฉยได้แล้วต่อเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นอย่างเงี้ยค่ะเป็นเหมือนสภาวะแบบเหมือนฝันนะคะแต่มันหนูมีความรู้สึกเหมือนเลยว่าแบบเสือกัดแล้วก็กัดหนูจริง ห, หนูเจ็บทุกเวทนาขึ้นแล้วหนูก็เหมือนวิปัสสนาขึ้นว่าถ้าเขาจะทาก็ปล่อยให้เขาทา ยอมเจ็บยอมทุกอย่างมันเหมือนแบบจิตแยกออกจากกายแล้วหนูก็แบบุดโทพุทโทพุดโทแล้วหนูก็เตือนอะอก็แสดงผลของการปฏิบัติของเราไงว่าเราปฏิบัติถึงขั้นนี้แล้วยางนี้จิตหนูมีแบบเข้าสู่กระแสพัสดารบัณ์มั้งไหมคะก็ยังไม่รู้จะถึงหรือเปล่าอย่าไ่สนใจว่าเข้าไม่เข้า ขอเราไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายให้ได้กันเลยค่ะตอนแรกหนูมีความอยากพอเมืกีฟังเทศเหมือนเราตัดความอยากออกไปความกังวลออกไปใช่ ม, มันก็เป็นสุขใช่ขอเราไม่ทุกกับความเป็นความตายของร่างกายความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกาย ถ้าเราทํางนี้ได้จะเรียกว่าโซดาก็ได้แต่เราไม่จําเป็นจะต้องเรียกเราตอนแรกหนู ม, มีความกังวลแต่ตอนนี้มันไม่แล้วว่ะค่ะเหมือนแบบเราไม่ได้อยากเป็นหรือว่าอยากอะไรไม่ก็ดีจะ่ถ้าทางที่ดีก็ไปพิสูจน์ของจริงดูไปอยู่ป่าช้าคนเดียวไปที่น่ากลัวคนเดียวหรือว่าใจเรายังเฉยเฉยได้หรือเปล่าค <ฮะ S 1> ่ะบางที่ต้องพิสูจน์อีกทีนึงเพรา ะ, ะเพียงแต่คิดเพีงแต่ได้สัมผัสในใจจากการปฏิบัติมันยังอาจจะหลอกเราก็ได้ ก็ต้องไปเจอของจริงไปอยู่ในป่าไปเจอเสือไปเจอที่ที่มีสัตว์ร้ายที่อันตรายแล้วดูที่ว่าเรา่งได้หรือเปล่ายอมตายได้หรือเปลือยถ้าความเจ็บก็ลองนั่งสมาธิให้มันเจ็บแล้วก็อย่าไปขยับมันให้มันเจ็บให้มันหายเองอยู่กับความเจ็บไปอย่างเงี้ยถึงจะถึงจะมั่นใจว่า เ, เราปล่อยวางน่างกายได้นะเราไม่ได้ถือว่าน่างกายเป็นตัวเราของเรานะ Okay. <All> right. มีคำถามจากทางเฟ e บุ o k เจ้าค่ะมีสองคำถามกลับนมัสการพระอาจารย์ครับกระผมมีคำถามอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าข้อที่หนึ่งเราจำเป็นที่ต้องบำเพ็ญฌานสมาธิให้ถึงขั้นสูงสุดก่อนไหมครับถึงจะเริ่มวิปัสนา ถ้าได้ก็ดีอย่างน้อยต้องได้ฌานสี่ถ้าได้ฌานสี่เราจะได้อุเบกขาปล่อยวางได้ถ้าเรายังไม่ได้อุเบกขาเราไปทางปัญญาถึงเวลาก็ปล่อยวางไม่ได้ถึงเวลารู้ว่าอันนี้คือความทุกข์เราก็ปล่อยมันไม่ได้เราก็ยังอยากอยู่แต่ถ้าเรามีถ้าเรามีอุเบกขาแล้วพอเราเห็นว่าสิ่งนี้เป็นทาให้เราทุกข์เราก็ปล่อยวางมันไปเราก็จะไม่ทุกข์ได้คาถามข้อที่สอง ฌานสมาธิขั้นต่ำขั้นกลางขั้นสูงแต่ละขั้นมีผลต่อการเจริญวิปัสนาใหม่ครับหรือว่าถ้าเราได้ฌานสมาธิแค่ขั้นต่ำก็เจริญวิปัสนาได้แค่วิปัสนาขั้นต่ำขอบพระคุณครับมันก็ปล่อยวางได้ของที่ง่ายๆถ้าขั้นต่ำก็ปล่อยวางของที่ง่ายได้ของที่ยากก็ยังปล่อยไม่ได้แต่ถ้าได้ขั้นสูงแนละ้วมันก็จะปล่อยได้ทุกอย่าง